ยังรักและ ทำเพื่อเธอรักเองที่เคยรักกันยันวันนั้นจริงหรือเปล่า